บัญญัติ947ก็ภิกษุณีใดไม่ดูแลช่วยเหลือหรือไม่ใส่ใจมอบหมายให้ผู้อื่นดูแลช่วยเหลือสหสชีวินีผู้ได้รับความลำบากต้องอบัต่าจิตตีเรื่องภิกษุณีทุลนันธาจบ